มานัทธพรามทูลถามไม่ควรทามานะเยอย่หญิงต่อใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีพุทธดารัสตอบไม่ควรทามานะในมาดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้น ด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลเพึ่งทำลายมาน่าเสียไม่ควรมีความกระด้างในพระอาหารหันต์ผู้เย็นสนิท